วันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระขึ้น15ค่าเนื้อ14วันนี้ขึ้น15ค่ ำ, ค เ, ำเดือนห้าแต่ถ้าหากว่าเป็นปีปกติ วันนี้ก็คงจะเป็นวันวิสาขาบูชาแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนจากนี้ไปหนึ่งเดือนจะเป็นวันวิสาขาบูชาต่ว น, นันคณะทาย า, า, าิโจมลูกหลานได้มาทำวัดแต่วันนี้รู้สึกว่ามีหลายคณะคณะหนึ่งก็คือ ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทราบเมื่อกี้ว่า30กว่านักศึกษาพร้อมกับครูบาอาจารย์แล้วก็มีอะไรวิทยุการบินที่มาพักค้างอีก <c oughs> ที่วัดของเราแล้วก็พร้อมกันก็มีการณักศาญาติโยม ตามปกติก็จะเป็นวันพระก็จะมากันอย่างนี้แหละพรนวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นหน้าตาเรียว่าพี่น้องประชาชนเขามาหลากมากมากทีเดียวอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเก่าๆได้เห็นแต่วันนี้เมื่อวานที้หลวงพ่อเองก็ วิตกเหมือนกันวิตกกันไงวิตกกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการกลัวกลัวตัวเองไม่ไหว <c oughs> เพราะว่าอัานเนื่องสืบเนื่องมาจากวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันเกิดของหลวงพ่อพ่อพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายก็ทำให้หลวงพ่อเองต้อนรับ พี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมก่อนที่จะถึงวันที่27่ก็หลายวันก่อนหน้านั้นแต่พอวันถึง27นันก็ไปว่าเต็มที่อย่างพวกเราคณะท่านศรัทธา ญ, ญาติโยมได้เห็นจากนั้นก็เป็นต่อเติมมาเรื่อยๆอลวงพ่อเองกับมีกิจนิมนต์เทนี่อขอกุณิมนต์วันที่หนึ่ง เ, เมื่อวานนี้ หลวงพ่อวันที่ยี่สิบเจ็ด่สิบเก้าสามสิบวันที่หนึ่งสามสี่วันโอ้ไหวเลือลูกหลานหลวงพ่อไม่ใช่พระน้อยพระนมแล้วแต่ทางนู้นก็โบอกโอ้เตรียมการทางนี้ไว้รองรับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมาหาองค์แสดงทําไม่ไหวไม่ไม่ทนันนะครับหลวงพ่อถ้าพอหลวงพ่อพอไหวก็ขอเมตตาเต็นหลวงพ่อเออใช่ ก็เลยเมตตาอย่างที่ว่าก็เลยไปเมื่อวานพอฉันยังหันเสียบก็เดินทางไปสกลนครผาน้ำย้อยไม่ใช่ไปจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกใช้เวลาสามสีชั่วโมงกว่าเพราะรถมันติดรถก็ทุกวันนี้ก็ยังว่าจะว่าตำรถเขารถเราก็ไม่ได้รถเขาก็มี แต่ในถนนของรถเยอะก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังกว่าจะไปถึงได้ก็ใช้เวลานานจากนั้นพอหนึ่งทุ่มหลวงพ่อก็ได้ขึ้นแสดงธรรมที่เจดีย์ใหญ่ที่ชัยมงคลเจดีย์มหาชัยมงคลที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ผาน้ำย้อยพอแสดงธรรมจบประมาณสักเกือบสองทุ่ม ก, กว่าหลวงพ่อก็ได้ ลาคณะจัดทายญาติโยมไปพักที่นิคมคำสร้อยวัดของกูบายฉลาดไปพักค้างที่ น, นี่พรุ่งนี้เช้าก็พี่น้องประชาชนลูกหลานๆได้มาทำบุญตักบาทก็เยอะพอชุมควรจากนั้นก็พูงชั้นจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ได้เดินทางกลับมาที่วัด ถึงก็ประมาณสักบ่ายสามโมงสี่เกือบสี่โมงสามโมงกว่ากว่านี่แหละเป็นห่วงพี่น้องลูกหลานทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็เหมือนกันแต่ว่าไม่มีทางนัดทางนี้หลวงพ่อก็คงจะพักค้างทางนู้นเอาแรงอีกสักกอดแต่ีนเมื่อมีนัดทางนี้แล้วกลัวทางนี้จ ะ, ะพลาดอกีกหลวงพ่อก็ได้มา อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นลูกหลานทั้งหลายได้เห็นนี่แหนะคือภาระธุระของพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงก็ตามมาเห็นลูกหลานทั้งหลายที่สนใจใฝ่ธรรมะได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาก็รู้สึกว่าพริ่มยินดีกับลูกหลาน ที่เป็นเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มสาวเข้ามาสู่วัดวาศาสานา <c oughs> ถ้ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับพระพุทธศาสนาจะยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าเป็นมีคนหนุ่ม เ, เข้ามารองรับสืบทอดแต่ช่วงหลังๆไม่เป็นอย่างนี้นะลูกหลานนะหลวงพ่อเอง ก, ก็วิตกกังวลเหมือนกันว่า <c oughs> พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าพวกหนุ่มสาวรู้ว่าจ ะ, จะหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาพอสมควรแต่มามาถึงยุคนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าพี่น้องลูกหลานคนหนุ่มเด็กหนุ่มสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่ในท้องถิ่นของเรา ทางทาคกลางก็รู้สึกว่าเห็นและอบอุ่นทางวัาหลวงพ่อเองพอไปได้หลวงพ่อจะไปแสดงธรรมหรว่าแนะนำสั่งสอนเรื่องพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่นีโอสุขภาพหลวงพ่ออายุมากถึงขนาดนี้แล้วจะเดินทางไปที่ไหนก็นดูๆแล้วก็ต้องดูแล้วดูอีก ไหวทั้งไม่ไหวแต่มหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังนิมนต์มาอีกทางมหาวิทยาลัยทางกรุงเทพนิมนต์มาหลายครั้งทางจุฬาด้วยทง้ง เ, เชียงใหม่ด้วยแต่หลวงพ่อก็รับบ้างไม่รับบ้างเพราะเหตุใดเพราะเรื่องสุขภาพเพราะอายุอายุถึงขนาดนี้แล้วเพราะนั้นมาคราวนี้ลูกหลานมาถึงวัดเลย หลวงพ่อก็ยังจะหนีจากวัดไปอีกมันก็ยังไงอยู่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้มากล่าวแสดงความยินดีและว่าความต้อนรับลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายสรุปแล้วให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนดีนะให้มีให้อยู่ในหลักเหตุและผลเ พ, ะเพราะพาาระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาเหตุผล พวกเราคิดดูในเรื่องต่างๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละต้งนี้ทางนั้นเราไม่ได้ตำหนิศาสนาอื่นแต่เราก็คล้ายๆกับว่าใครอยู่ในแบงค์ไหนธนาคารไหนเราก็ต้องยกจ่องธนาคารของเราไม่ใช่หรอนี่ก็เหมือนกันนะเราอยู่ในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท เป็นบริษัทของพุทธะเราก็ต้องยกย่องเชิดชูบูชาพุทธะศาสนาของพวกเราว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเยีย่ยมในความรู้สึกเรื่องนึกคิดของเราจึงเราจึงได้มอบกายถวายตัวเป็นศิษยานุสิท์ของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ไม่ว่าจะให้ทานศีลภาวนาคืออันนี้คือหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาให้ทานแต่โดยมากศาสนาอื่นเขาจะเน้นเรื่องการให้ทานการสงเคราะห์เนี่ยก็มีอยู่แต่ไม่ไม่เด่นเหมือนกับพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนานสอนให้ทานคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันพระพุทธองค์เป็นธรรมเป็นตัวอย่าง หรือว่าพูดเป็นตัวอย่างหรือว่าชาดกเป็นตัวอย่างชาดกตัวอย่างคือพระเวชชันดอนท่านให้ทานยังไงให้ทานกระทั่งช้างมา้ากระทั่งลูกกระทั่งเมียนี่อันนี้ก็คือการสงเคราะห์รัวการเสียสละของพุทธะและท่านท่านทำเป็นตัวอย่างแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะทําเป็นทําอย่างพุทธะที่ท่านทำ แต่อันนั้นท้ายขว่าท่านเน้นหนักท่านเป็นผู้นําถ้าทำอะไรต้องทำสุดตรงทำให้เห็นนี่แหละในการเสียสละต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือพุท ธ, ธะจากนั้นท่านก็แนะนำบอกกล่าวว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันที่เป็นผึกแผ่นขึ้นมาได้ต้องมีการเสียสละต้องมีการาให้อมิตรทาน อามิษทานก็คือการให้อามิษและก็วิทยาทานต้องให้ความรู้ถ้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจก็พยายามแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวและวิทยาทานอาภัยทานก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในระหว่างอยู่หมู่พวกเพื่อนเราก็จะไปโกรธให้เขาหัวฟัดหัวเวียงจนเกินไปทีเขาทีเรา บางทีเราก็อาจจะผิดพลาดกับเขาก็ได้ในเมื่อเขาผิดพลาดกับเราเราก็ควรจะให้อภัยกับหมู่พวกเพื่อนนี่แหละอันนี้ก็คือลักษณะของพุทธศาสนาเขาเราเขาเราเขาเราเพราะนั้นการให้อภิษฐริษฐทานก็เหมือนกันสมมติว่าอย่างเนปาลอย่างนี้ละ่ะที่เขาประสบวัติเทช แผ่นดินไหวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่เขาเขาก็ไม่ต้องการเขาเขาก็ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าคําว่าเขาตกทุกข์ล่มจมถึงขนาดนั้นประเทศไหนที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยเขาเ อ, อช่วยเขาเมื่อคามยามขับขันเมื่อยามจําเป็นเขาจะระลึกถึงบุญคุณถ้าเขามีคุณธรรมในจิตใจเขาจะระลึกถึงบุญคุณของประเทศที่ไปช่วยเหลือเขา เขาก็ต้องลํำลึกถึงว่าออโอ้ประเทศนี้เป็นบุญคุณจริงๆเมื่อเราตกทุกข์ไยากยามขับขันเขามาช่วยเราอย่างเต็มที่จนเราฟื้นขึ้นมาอืดลืมตาอ้าปากไดเออ้เราได้ช่วยตัวเองในช่วยใ น, ในระดับหนึ่งในช่วงที่ข้าพเจ้ากำลังออตกอยู่ในภาวะขับขับขัน อันนี้เขาก็ต้องน้ำลึกถึงพระคุณไม่ว่าท่านว่าเราเราก็เหมือนกันแต่หากว่าพวกเราตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นถ้าผู้ใดมาช่วยเราเราก็ยินดีอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ช่วยเหลือชุมชนและสังคมเราต้องมองดูว่าเขามีความจําเป็นในจุดไหนมากถ้าเมื่อเขาจุดไหนเราก็ให้จุดนั้นอันนั้นคือให้ตามจุดที่ เขาต้องการถ้าเขามีความจําเป็นสมมติว่าเขาปวดฟันอย่างนีนเ้เราเขาปวดฟันโอ้ยผมปวดฟันมากเถ้าอยังไงกันมาเปลี่ยนฟันถอนฟันให้ผมใส่ฟันให้ผมใหม่โดยเทันเล่เาโอยเราจะไปใทำยังไงเพราะเราไม่มีเรามีแตตัดแฟ่นใหเ้เราตัดแฟ่นตาให้กับคนที่ปวดฟันเขาก็ยินดีอยู่แว่นตาแต่ถ้าให้ถ้าให้ฟันเขานะ่ยจะถูก จะถูกกว่าถูกจุดประสงค์กว่าเหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าตาเขาฝ้าฟางมองไม่เห็นแต่ตามไม่จริงเราไปทำฟันให้กับเขาฟันของเขาก็ยังดีอยู่เราเอาทำตัดแว่นให้เข า, เาตาไม่ยิมก็ให้ผิดจุดแต่ตาไม่จริงเมื่อเขามีจุดประสงค์หรือเขาต้องการแว่น เ, เราก็ต้องทำแว่นให้กับเขานี่ก็เหมือนการโลกทั้งโลกของพวกเราการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลก เราก็ต้องมองอีกเหมือนกันอย่างที่ประเทศเนปาลอย่างที่ทรงพ่อพูดเราจะช่วยเหลือสองเพราะอะไรกับเขาเขามีความขาดเหลือเรื่องอาหารเรื่องอาหารสำคัญชีวิตประจำวันของเขาจากนั่งผ้านุ่งห่มยากแก้โรคภยครัยไข้เจ็บต่อไปก็ที่อยู่อาศัยนี่แหละอันนี้ก็คือการฐานะที่หลักของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพุทธบริษัทของพระองค์การอยู่ด้วยการบางทีก็เขาเราเราเขาเราก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะอีกสักวันหนึ่งพวกเราอาจจะมีปัญหาอย่างที่เขาก็ได้หรืออาจจะยิ่งกว่าเขาก็ได้เพราะนั้นเมื่อถึงใครเราก็มองมองเขาแล้วก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเขา นี่แหละอันนี้ล่ะคือฐานนะแต่ถึงยังไงถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเราก็ต้องมองในชุมชนในกลุ่มของเราอย่างพวกเราเกิดม า, เ, าเกิดมาจากใครพ่อแมอ่ของเราเมื่อเท่าแกชราแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาให้ต้องเสียสละในการทำทานให้เสียสละให้พ่อให้แม่ อันนี้แคือทานะส่วนหนึ่งอย่ามองข้ามจากนั้นก็ให้กับปวงสาคณนายาตญาติมิจฉสหายในเมื่อคราวจําเป็นแล้วก็ทาบุญในพระพุทธศาสนาที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชเพื่อให้ทานกับท่านผู้ท่านเป็นผู้ทรงศีลเป็นบุญกุศล ส, ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาอย่างป พระเจ้าหรือท่านเป็นลือสีสีไพรอยู่ในป่าท่านมาบินทบบาทหรือพระปเจกพุทธเจ้าท่านมาบินทบบาทท่านไม่ได้ทำอาหารท่านไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ทําบุญทําทานกับท่านท่านก็ไม่ได้เอาไปอะไรมากมายมีแต่ทําบุญท่านเลี้ยงชีวิตของท่านท่านก็ไปภาวนาของท่านบําเพ็ญกุศลอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาคือการเสียสละให้กับผู้ที่ด้อยกว่า ที่ท่านไม่มีอันนี้คือฐานะอ a m i t a านธ ร, รมมทานคือให้ธรรมะให้ทางที่ถูกต้องในหลักของพุทธศาสนาอย่างสมณะณพราหมณ์ที่ท่านพวกเราได้ให้ทานกับท่านไปแล้วท่านก็ไปคิดคิดค้นหาหลักธรรมคำสอนที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเรา พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็สัมมาณพราหมณ์เป็นผู้ให้อโอวาดและเป็นผู้ให้ธรรมะนำไปประพฤติปฏิบตัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราโดยเฉพาะยางยิ่งปรับปรุงกะปรับปรุงใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นคนดีอันนี้ก็คือการให้ธรรมะฐานวิทยาทานคือคือให้ทางโลกถ้าหากว่าผู้ใดก็าตาม สอนวิชาความรู้ให้กับลูกห ล, กลานกับคู่คนทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้อันนี้เป็นว่าวิทยาทานให้ทานกับพวกเราท่านทั้งหลายและก็อาภัยยทานกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าทีเขาทีเราเราบางทีก็อาจจะผิดพลาดไปล่วงเกินเขาเราเขาก็ต้องให้อาภัย เมื่อเขามารุงเกินเราทําให้หนักหนาจนเกินไปเราก็ให้อภัยแต่เว้นมันหนักหนาเกินไปเราก็ต้องเอาตามกฎหมายเอาพอมันเจตนาหรือไม่เจตนามาทารุนแรงจนเกินไปเราก็ต้องเอากฎหมายมาพูดกันลงโทษตามโษสานุโทษในเรื่องนั้ น, น, นอันนี้ก็คือฐานสินคือคือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อย ให้ระมัดระวังการเป็นอยู่ศีลแปลว่ากฎระเบียบอะไรเนี่เข้ามาถึงกฎระเบียบอะไรเนี่ยทานนั่นคือน้ําใจให้มองเห็นการอยู่ด้วยการต้องมีการเสียสละในเพื่อนมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันศีล น, นี่ก็ต้องมีกฎนมีระเบียบการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วต้องมีกฎอัวเนี่ยมีกฎกติกาเราจะไปที่ไหนเราจะอยู่ยังไง เราจะมาฉันร่วมกันอย่ไงไรเราจะไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกนันก็ต้องนัดหมายกันบอกกล่าวกันอันนี้เรียกว่าการเป็นอยู่ด้วยกันเรียกว่าเป็นกฎโรกว่าเป็นศีลอะไรทีไหนศีลอย่างศีลห้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วเมื่อท่านได้ตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นท่านได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกออกมาท่านก็นได้นำธรรมคำําสอนของคนโบราณตั้งแต่ดึกดาบรรพเพราะศีลห้านไม่ใช่ศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะเป็นศีลเก่าแก่ดึกดาบรรเป็นศีลหรือสีชีภัยหรือว่าบุคคลที่เป็นคนอกลุ่มดีคิดดีทดําดีพูดดีพวกสัมมาทิฏฐิในยุค ก, ก่อนๆเก่าเก่าก่อนเป็นศีล ดึกดำบัรคุ้มของโลกมาแล้วเรื่องศีลห้าเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วไม่ใช่ศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นเป็นศีลมาตั้งแต่ดึกดาบรรค์ศีลห้าเขาเราเราเขาเขาเราเอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ยกเขามาไว้ในมุในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ยกเอาคา ไหนโบราณก็พูดดีมีกฎมีระเบียบอยู่แล้วท่านคนนาทำคำสอนคนโบราณเนี่ยเขามาอยู่ในพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าว่าสินข้อที่หนึพวกท่านทั้งหลายอยากคิดค่ากันถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนกอตามถ้าว่ามีการคิดค่ากันมีอะไรเกิดขึ้น เน็ตหน่อยๆก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันอมีแต่คิดเอยากจะฆ่ากันคนนั้นก็คิดฆ่าคนนี้ก็คิดฆ่าในเมื่อเขามาคิดฆ่าเราเราก็ต้องคิดฆ่าเขาอีกเหมือนกันเพราะอะไรถ้ามันเราถ้าเราไม่ฆ่ามันมันจะต้องมาฆ่าเรานี่ยนี่แหละต่างคนก็ต่างคิดฆ่ากันพวกเราคิดดูสิว่าเมื่อต่างคนต่างคิดกะฆ่ากันอย่างนั้นแล้วจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไน อย่างไรต้องระมัดระวังระแวงระวังตัวอย่างสชดชด เ, เพื่อกลัวจะเผลอเข้าไปแล้วก่อนนั่นแหละกลัวเขาจะมาฆ่านี่แหละโลกทั้งโลกจะหาความสงบร่มเป็นเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเพราะพระเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการคิดฆ่ากันอย่างนั้นหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมากฎหมายขึ้นมา ถ้าใครคิดฆ่ากันแล้วลงมือฆ่ากันต้องผิดกฎหมายเพราะนั้นในเมื่อผิดกฎหมายพระองค์บัญญัติวินัยขึ้นมาว่าใครก็ตามอย่าไปคิดฆ่ากันนะถ้าคิดฆ่ากันนะจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนี้คือสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันคือปาณาติปาตาเวรมณีอันนี้คือสินข้อข้อที่สองอธินาฐานาเวรมณีให้พวกท่านอยู่ในกฎกติกา ก, ากฎ เกณฑ์อย่างนี้คืออย่าขโมยกันถ้าพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนอย่าคิดขโมยกันนี่คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราว ร, รัมณีอย่าละับละล่วงสามีภรรยาคนอื่นเขาให้เขาเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปกบต้หมหุ่นต้มตุ้นหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจเราก็เช่นเดียวกันอันนี้คือสีขอส่ข้อที่สในสีลข้อที่สในข้อที่หสุราเมรยะดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อดื่มกระเสพเข้าไปแล้วขาดจิตเมื่อขาดจิตทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนมึน่นคนเมานี่แหละก็รู้อยู่แล้วมันกินเข้าไปแล้วต้องเมาต้องขาดสติ แล้วเราไปดื่มอะไรเพื่ออะไรทำไม่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอันนี้คือศีลให้ทานแล้วก็ศีลเรื่องภาวนาภาวนาคือแนวความคิดในหลักของพุทธศาสนาคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคิดยังเป็นมิจฉาทิฏฐิคือทาโลกทั้งโลกให้เดือดร้อน ถ้าคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือทําโลกทั้งโลกให้ร่มเย็นเป็นถุกตัวเองก็ร่มเย็นเป็นถูกถ้าคิดไปนในทางที่ถูกต้องนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเราต้องศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงหวัดพุทธบริษัทสี่เป็นพวกเราเข้าหุ้นส่วนกันคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ต้จัดว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจา้าอันดับแรกให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาเป็นสัมมาทิฏฐิโลกทั้งโลกก็จะเดือดจะมีความร่มเย็นเป็นสุขท่นหน้ากันถ้าเราอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีท่านออกจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ไปในทางมิจฉาทิฏฐิแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเเพราะฉะนั้นขอให้พระคณะสัตย า, า ญ, ญาณโยมนักศึกษาทั้งหลายที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นตลอดถึงพี่น้องพี่น้องประชาชนทวกโมูเหล่าตลอดพระสงฆ์ทุกทุกองก็ให้สำรวมระวังกายวาจาของตนเองแต่ก็ให้ระวังใจเท่านั้เพราะว่าใจเป็นต้น แบบใจเป็นต้นฉบับใจเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีเพราะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้สอนกายด้ท่านสอนใจนะให้พวกเราศึกษาแต่โลกทั้งโลกเขานี่มีแต่หลักวิชาแล้วก็สอนการเป็นอยู่เรื่องรู ป, ปรธรรมใชมากกว่าแต่หลักธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วท่านสอนเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตัดรู้หรือ ว, ว่าท่านไปฝึกพระ อ, องค์เอง <c oughs> ที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วเนี่ยท่านไปตัดรู้เรื่องของใจแนวความรู้สึกนึกคิดตัวนั้นละ่ะ เป็นจุดจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาเรื่องศึกษากระชย่ยศึกษาดูดูแล้วศึกษาดูดูภายนอกแต่ว่าให้หยั่งเข้าไปสู่จิตใจในจุดนั้นเจะดจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุธรรมแต่ตาไม่จริงคําว่าบรรลุธรรมเขาเนี้ยมันมองไม่เห็นนะจะเป็นโกหกกันหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนยที่ท่านได้ตัดสรตวพระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณร่างกายของพระองค์ก็ยังอย่างเก่าอย่างสามัญชนหิวอาหารขับทาย เรื่องการเป็นอยู่ทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการเป็นอยู่แต่ว่าทางด้านจิตใจของพระองค์นั้นเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนแปลงที่พอใจของท่านเป็นพุทธะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเหมือนกันที่ท่านองค์ไหนก็ท่านได้เป็นพระอรหันย์เนี่ร่างกายของท่านก็ปกปกติหิวอาหารฉันอาหารทานอาหารผู้ขุดจาภาทีเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย แต่ใจของท่านเป็นพระรหันต์ใจของท่านบริสุทธิ์ใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสใจของท่านไม่มีกิเลสในใจของท่านแล้วแต่ร่างกายเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายหิวกระหายอ่อนเพลียเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหนาวเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวิปากกรรมของร่างกายมันเหมือนกันแต่ว่าทางจิตใจเท่านั้นหละ ที่ท่านได้เปลี่ยนแต่จากพวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านการเปลี่ยนในจุดนั้นถ้าว่าท่านไม่ได้พูดโดวยว่าท่านไม่ได้แสดงอะไรให้เราฟังพวกเราคงจะจับหรื อ, อรว่าไ ม, ไม่ได้สังเกตอกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเท่าเราท่านทั้งหลายที่ท่านได้ยินได้ฟังจากท่านมาแล้วนะ่ะพวกเราจะได้สังเกตเราจะได้ฟัง แนวความคิดของท่านเราจะรู้ได้แต่วิธีการของท่านที่ท่านได้มรุทรตัว่าท่านได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านท่านจะรู้ทำในวันเดือนหกเพลนท่านทําอย่างไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันที่ท่านได้พูดว่าท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลท่านทําจิตใจในช่วงนั้นท่านทําอย่างไรพวกเราก็พอจะรู้ได้เพราะอะไรเพราะท่านพูดให้ฟังแต่ส่วนร่างกายนั่นเหมือนกันนะ พี่น้องประชานชนจัทธาญาติโยมทุกหลานทุกคนนะ <c oughs> แล้วก็วันนี้หลวงพ่อคงจะไม่ได้พูดอะไรเห็ดไหมทั้งพูดทั้งไอไปด้วยรู้สึกว่าสุขภาพของหลวงพ่อไม่ค่อยจะเท่าไหรทั้งวันนี้มันมีไอติดหวัดหน่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจะให้พูดอเอาเอ็มพสามที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมเมื่อคืนเนี่ย ที่เจดีมาหามงคลวัดผาน้ำย้อยน่ยมาเปิดให้คณะทา ญ, ญาติโยมฟังพอหลวงพ่อพูดในดีกานิมนท่านก็บอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อไปแสดงธรรมเรื่องกรรมฐานเรื่องปฏิบัติเรื่องกรรมฐานเบื้องต้นให้คณะสิทธิานุสิตเน่ได้ศึกษาได้ฟัง วงพ่อไปก็เลยพูดเน่เรื่องศีลห้าอันดับแรกแล้วก็เรื่องสมาธิเรียงลำดับพอสมควรเพราะนั้นอยากจะให้ครูบ า, เ, าเปิดให้คณะทาญาทอยู่ฟังนะขณนะที่ฟังพวกเราเราก็นั่งสมาธิฟังเมื่อนั่งสมาธิฟังเก็ดบจบเทียบร้อยแล้วนะครูบาก็จะแยกย้ายกันกลับและให้นั่งภาวนาต่อด้วยนะ พอทานไม่นั่งภาวนาต่อนันสั้นเกินไปนะให้กูบาที่ <c oughs> เป็นผู้นำขับ พ, พยายามนั่งต่อไปอีกนะเมื่อจบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้านักศึกษาไม่รีบไม่ด่วนเกินไปเดี๋ยวลงพ่ อ, พอ ก, ก็จะแจกหนังสือเ p ็พสให้กับลูกกับหลานอีกเพื่อ น, นาไปค้นคว้าศึกษาต่อ ที่หลวงพ่อ พ, พูดยังไงแนะนำอย่างไรให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาคนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้น่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะ ส, สู้สัง่งรัชะเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาไปสถานที่หนึ่งเราก็ต้องฟังสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยิน สุดตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังแล้วนั้นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบนิ่งสะก่อนจากนั้นจะเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะลูกหลานนะตอนนี้ไปเปิดอพส ฟังเลยนะตนี้นะ